อันหนงานขนตายว่างานคนเป็นมรณะสติเป็นมรานสฤติว่าพวกเราเพื่อ เ, เหมือนกันร่างกายวัดวาน้าเปรบง่ายๆเพื่อชัดเจนวัดเรา สมุทรวัดเรานะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งพวกเราผู้อาศัยผู้จอมาทั้งธรรมะตระนาตาเนญยัติโยมแล้วพวกนกโปรก้งหลายแหลที่มาอาศัยพึ่งพาไป บ, บุญกับต้นไม้ต้นนี้จะเรียกว่าต้นไหนก็แล้วแต่ อจู่แล้วก็ต้องช่วยกันช่วยรักษาต้นไม้ก็คือต้องรดนะ้ำปนดินใส่ปุ๋ยคนดูแลมันก็จะร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยเาอยู่ต้องไปช่วยกันอันก็อยู่ไม่ได้เราวันตายเหีย่ยวแห้งเราตายนี่ เปรียบเทียบให้เห็นให้เข้าใจว่าธรรมะที่พุ่นในวันนี้ก็เหมือนกับต้นไม้คนที่มัวอาศัย่เช่นพวกนกพวกลายสังสิงสารลาสับทั้งหลายคือผู้อาศัยผู้มาก็เหมือนกับร่างกายของเราก็คือร่างกายกับจิตใจพวกนก กขามาอยู่อาศัยทำรังแล้วก็มาเยอะมาถือเอาว่าต้นไม้ของข้าใครก็มาอยู่ไม่ได้เข า, าไปไม่ได้ก็มาก็ร่างกายของเราเมื่อจิตเป็นเดานปฏิสติในร่างนี้แล้วทุกอย่างกลายเป็นของเราไปหมดตอนนี้ถ้านกมันจากต้นไม้นี้ไปแล้ว ต้นไม้ก็คือต้นไม้นกก็คือนอกคนละส่วนกันชัดเจนมนุษย์หรือคนก็เหมือนกันจิตออกจากร่างแล้วจิตก็คือจิตคนก็คือคนคือร่างกายมัอนที่ไปเทศในวันนี้ก็เป็นแร่างกายส่วนจิตที่มาอยู่อาศัยนั้นไปไหนไม่รู้แต่ว่าก่อนหน้านั้นยึดถือยึดเอาหมดที่เป็นตัวเป็นตน ที่ในรูปในร่างหูตาจะหมดเลี้ยงกายตาของเราหูอของเราจมูกของเราเป็นของเราหมดกลายเป็นเจ้าของต้นไม้ตนม้นนี้แต น, นี้ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วมันกคนละอย่างคนละส่วนกันเมันกับนกถ้ามันบินจากไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับต้นไม้เลยต้นไม้เขาก็ายาอยู่ของเขาจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันมาเกาะ มายึดมาถือมาติดในรูปร่างกายธาตุสี่ขัห้ารูปไปธนาทุกอย่างทุกันทุ ย, ยา่างตาหูจมกูกถึงปลายรูปเศษไปแล้วปุตตะะซึ่งก็คือตัวเราตัวเราคือตัวคนตัวมนุษย์ทั้งหมดมนลองไปยึดเอาเสียงเรื่อ น, นี้คือยึดมากก็ได้มากก็ไปว่าได้ทุกมากยึดน้อยก็ได้ทุกน้อยเห็นในทุกน้อยแต่ถ้าไม่ยึดจะเลยมากก็สบาย แต่ก็ไม่ใช่ทั้งเรื่องที่ตทำได้ง่ายๆดังนั้นถ้าเราไม่พิจารณาธาตกันของตัวเองเลยนี่คือไม่มองตัวเองพวกง่ายๆเราก็จะไม่รู้จักตัวเราเองว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรแต่มันแสดงกิจอาการออกแต่ก็จะเป็นเรื่องความความบกความโกวความหลงก็จะไม่รู้นั่นคือกิจอาการของจิต ที่มีอยู่แต่ว่าจิตจริงๆมันโปร่งใสไข้เป็นจิตเดิมจริงๆมันโปร่งใสมันไม่ได้เกี่ยวข้องเราพวกนี้เลยแล้วมันจอนมาพอกนี้มันมาเพิ่มมาเติมในหล่ะเหมือนกับสมบัตรเข้าของเงินทองของไม่ข้าเหมือนเสื้อผ้าผอนที่เรามีอยู่ก็หาเพิ่มมาเท่านั้นสุดท้ายมันอยู่ในห้างมันก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าเป็นเสื้อเป็นผ้า พอซื้อมาเอาเงินแรกมาสวมใส่สลราเป็นของเราไม่ได้จะนี้ใครเอาไปไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางโอ้ให้เป็นไรเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อมันมอยู่ของเราแต่มันจะหายมาชำนุดมาอะไรก็เป็นไรมันก็หามาได้อ้ามายได้เพราะทำใจเป็นกลางตระนี้อย่างนี้สบายาคิดอย่างนี้สบายแต่คิดแบบยึดถือเป็นเจ้าขา้าเจ้าขอา้ขอโอลำบาก เด ja, ือดร้อนพอความคิดก็ไม่เป็นสุดท้ายก็จะเดือดร้อนเพราะความคิดของตัวราเราไม่มีวิธีการที่จะจัดการกับความคิดของตัวเราสุดท้ายเราก็จะเดือดร้อนนะเคยพูดอยู่เสมอความคิดเป็นปัตตมเหตุเป็นบื้อนต้นเลยเปนตัวจุดชนวนเพราะนั้นเราคิดดีทุกอย่างมันออกมาดีแต่คิดไม่ดีทุกอย่างมันออกมาไม่ดีความคิดสุดท้ายกลายเป็นการพูดและการกระทํำ มันที่แต่มันตามมาเมื่อมันคิด ด, มออ ด, ม ด, ด, มดีมันก็พูดมันดีคิดไม่ดีมันก็พูดออมาไม่ดีใช่ไหมมันเป็นมันเป็นผลเป็นอันสมขั้นตอนต่ำก็แปลว่าถ้าคิดดีพูดดีสุดทางกระทาสุดการกระทำํำคือพฤติกรรมคือลงมือกระทําอย่างนี้เรียกว่ากรรมก็ครบองค์ประกอบอย่างนี้ยกรรมถ้าคิดเรียกว่าโมโนกรรมนั่นมนไม่มีผลเท่าไหร่ไม่มีผลต่อคนอื่นแตม่มีผลต่อตัวเราเอง ทำจิตทั้งรอบมันเศรมองไม่ผ่องใสเครียดหน้าดํากร้ำเข่งไม่ผ่องใสไม่เบิกบาน <c oughs> เนี่ยมโนกรรมมัเป็นกรรมทางใจหรือวัชกรรมอันนี้เป็นผลลัพเพราะมันมการแสดงออกแล้วเซอเอลทางวาจาอัานี้ผลกระทบละผลกระทบผลสะท้อนกรรมอ า, าตัวเองไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้กรรมเฉพาะตัวเองนะทีนี้ปฏิกรรมข้างนอก กูกรณ์ด้วยนะวยจยีกรรมกายกรรมกายกรรมแล้ก็บรรจงก็าทำแล้วมันมีผลเพราะฉะนั้นคนที่คิดขโมยอยนันนี้คิดเป็นไม่คิดไม่ดีแต่มันไม่มีโทษทางกฎหมายแต่ ม, มีโทษทางธรรมแต่ถ้าพูดไม่ดีหย่าบายไปด่าว่ากันรู้นเนี่ยเป็นโทษหลักี้ไปลงมือลงไม้เนียทําร้ายร่างกายกันเนี่ จะไม่ทำเป็นโทษแล้เพราะฉะนั้นวาจามัคือกายวาจาเนี่ยสําคัญต้องจัดการตอนนี้เบื้องต้นกายวาจาตัวที่ควบคุมได้ดีที่สุดก็คือเสียถ้าเราประพฤติล่วงเกินละเมิดกายวาจาอะไรกันนั่นแปลว่าเราละเมิดศสียก็คือกายไม่ปกติวาจาไม่ปกติมันก็ไปล่วงละเมิดคนอื่นเขา ไปลบล้มล้างสิทธิของคนเขามันเป็นโทษออกมาแล้วเห็นไหมคือโทษทั้งหมดเกิดจากก็เกิดจากตัวเราเกิดจากตัวเราทั้งนั้นมันจะไปโทษปัจจัยปันอกคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่เกี่ยวกันนั่นเป็นเรื่องของตาหูจมูกหรือกายแจของคนอื่นเขาถ้าเป็นต้นไม้กับต้นไม้คนอื่นไม่ใช่ต้นนี้มันไม่เกี่ยวกันต้นไม้เป็นสารพัดตน้นคนก็มีสารพัดคนนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ยึดหลักการอย่างนี้ก็ เอาใจใส่ดูแลต้นไม้ต้นนี้คือตัวเราเดูตาหูจมูกท่าคิดว่าตาหูจมกูกร่างกายเป็นของตัวเองแล้วทำไมไม่รักษาแล้วทำไมไปปล่อย ป, อยปละเลยให้เป็นไปอยู่ปล่อยไปตามอำเภอใจจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อรู้ว่าในตัวของเราแล้วทำไมแม่จะอยู่กับตัวเราปล่อยให้เจ็ไปเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้กายอยู่นี้จิตวั น, ว, นวันหนึ่งไปเที่ยวซารพัด ไปได้ทั่วโลกไปแป๊บเดียวไปได้ทั่โลกนี่ไความสําคัญของจิตมันอสำคัญมากมากแต่เคยไม่เคยฝึกจิตเลยเคยดูจิตไม่เคยพิจารณาโทษไปมันมหันต์ ม, มากๆที่ธรรมดามันร้ายแรงกว่าที่เราคิดเอาไว้เราต้องไม่ลืมว่าวันหนึ่งจิตอันนี้มันกลยต้องออกไปข้างนอกกันดีคือเมื่อรูปร่างกายธาตุทั้งสี่มันแตกดับลงไปแล้ว จิตหรือว่าวิญญาณที่มาแล้วมันก็จะต้องออกไปแน่นอนเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันก็เหลือแต่กายเน่าเน่าเสียเสียเป็นปุ๋ยเป็นสารพัดให้เข้าเผาเข้า็ฝังไปตามๆเหมือนที่ไปร่วมงานในวันนี้มันเหลือแต่ความดีความไม่ดีเท่านั้นนะที่ติดตัวไปอย่างนีที่ว่าความดีความไม่ดีใครเป็นคนทาไม่มีใครอื่นนําให้เราความสรุปง่ายๆก็คือ ที่เราเดือดรอนก็ดีแต่เราอยู่ดีมีสุขเนี่ยก็เพราะว่าตัวเราเราดูแลตัวเราได้ดีขนาดไหนตอนนั้นก็เที่ยวอยู่ดีมีสุขแต่ถ้าไม่อยู่ดีอยู่ไม่ดีไม่มีสุขเลยก็ ก, ก็ต้องถามมันเกิดจากอะไร <c oughs> ก็เก็ดจากตัวเรา <c oughs> มารูแลก็จะลองต้องแก้ไขาแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ไปบนไปเพ้ออะไรก็ไม่รู้ เราไม่มีการแก้ไขประปรุตัวหน้าตัวเองมราจะไปโทษปัจจัยภายนอกไม่ได้พรนะเจ้านั้นเวลาทัางแก้ไขแก้ไขที่ตัวเองเห็นไหมเราปฏิบัติท่านก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสารพัดที่รัติมีอยู่ในขณนะนั้นในสมัยนั้นที่เขาทนทรมารากรรมทุกมนตีทางเพื่อหาทางหลุดพ้นเพื่อหนอจากสิ่งเหล่านี้หาทางออก หาทางออกที่จะให้ทำไงก็ได้ที่ให้มันไม่เมกิดไม่เก็บไม่จ็ไม่ตายแต่มันไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ากายนั้นเป็นธรรมชาติของมันมันต้องเกิดต้องแก็บต้องเจ็บต้องตายอยู่อย่างนี้ตลอดแต่จิตมันไม่ใช่แต่เพ อ, เอาะเราไม่ค่อยรู้เรื่องจิตรู้แต่กายอย่างเดียวรู้ก็รู้ไม่จริงด้วยนะรู้แบบหลอกหอกรู้แบบต่างคนต่างยึดตั้ง ต, งตงือเป็นเจ้าของมันไม่รู้จริง คือรู้จริงกันไหมครับว่ามันไม่ได้รู้ทะลุปูกลงอย่างจริงๆเหมาะนันตัวเราจะอยู่ข้างในเราเคยดูไหมเราเคยพิจารณาไหมที่มันอยู่ข้างในจริงๆริงที่จะได้สวดกันอาการสามตัวสองเราเคยพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละตัวแต่ละข้อไหมกายของเรานี่แห ล, ละจะแล้วก็ไล่ไปเลือกตับไตเส้นพุงลำไส้น้อยไส้ใหญ่ ของน่าของหูว ข, ของเสียอุจจาระปัสสาวะไล่มาหมดอะ่ะแต่อคติจริงเราเราไม่รู้เลยมันไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาเลยเระนั้นเราจึงไม่เห็นของไม่ดีในตัวเราคือของน่าของเสียสุดของดีข้างน่าก็ แ, แก็ขไปขปรับปรุงกรอกเป็นก็ไปมันมันสกกรปุกก็ขับน้ำชาระทุกอย่างผมคนเล็บฟันหนัง ที่มีอยู่ในตัวเราเราก็ชำระคือทำความสะอาดผมก็สะทำความสะอาดผมขนเล็บหนังกกตัดฟันกระแปรงหนังก็ชำระผมว่าเยกวฟันหนังอันนี้ทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วเราจะเห็นสภาวะที่มันเป็นจริงผมลองไปสะดู สักห้าวันอยู่ได้ไหมผมคนเล็บฟันกินแล้วร้องไม่แปลอสนาห้าวันเจ็ดวันดูมันจะเป็นยังไงอันนั้นคือสักความจริงเรียกว่าอาบสุภะผิวหนังเราไม่ต้องอาบทำงานทาั้งวันนอนเราไม่ต้องอาบยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่เคยมองเป็นสาระจริงๆว่ามันไม่สะอาด เรากลับมองว่าสะอาดสะ า, สะาจิตมันสั่งอยู่อย่างนี้แต่มันก็ต้องการแต่ขอสะอาดผู้ชายก็ต้องการผิวที่สะอาดผู้หญิงต้องการที่สะอาดก็คือสุภาพนันเองคือยังมองว่าสุภาพอยู่สุดท้ายจิตมันก็จิตมันถือมันเป็นที่มาความรักใคร่พอใจยินดีซึ่งกันและกันแต่ถ้ามองถึงความเป็นจริงอย่างเนี้ยว่ามันเป็นอาสุภาพจริงๆมองจากเขียวดังให้ทะลุเข้าไปข้างใน ต้อตัดไตเส้นพุงลาไส้น้อยลำเส้ใหญ่กุจจาระปัสสาวะที่มีอยู่เห็นมหมแหวกมาเพราะอย่างนี้เราจึงไม่เกิดปัญญาคือมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เรามองได้แค่ถ้าพูดง่ายๆคือผิวเผน ผ, ผิวหนังยังไม่ทะลุเข้าไปพูดง่ออยายๆส่วนข้างในยังไม่ลึกพอเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เคยพิจารณาเรื่องนี้อย่างจรงิจรงจงัจงจงิตมันก็ไม่วาง มันไม่ถือเหมือนนกบอกมาเกิสุดท้ายก็ถือหมดกิจการคาถาทั้งมาทั้งนี้มันก็ถือหมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยความสุประกอบทุ่งก็คนสิ่งที่เราป้อนเข้าไปเท่านั้นข้าวปลาอาหารน้ําสารพัดที่เราป้อนเข้าไปเกิดจากเราป้อนเข้าไปเท่านั้นอวัดดีสุภาษิตอยู่ตับไตเส้นผมเส้นสอยแล้วก็ขับออกมาข้นมาอย่างนี้วนเพียนไปในแต่ละวันอยู่อย่างนี้โดยไม่รู้จักเบื่อ เรไม่เคยบนไม่เบื่อเลยเบื่อแโอ้ขี้เกียจกินข้าวาไม่เคยเลยขี้เกียจกินน้ําไม่เคยบน่นท่านอยากรู้จักทุกนี้ครูอาจารย์นีบอกว่าในช่นวงนี้เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ให้ดูเรียบททั้งสี่ให้มันเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดูเรื่องการการอยู่การกินการกอบการฉันพยายามไม่จะผ่อนผ่อนจากเยอะให้เป็นน้อย เช่นกินเยอะก็กินให้มันน้อยลงกับวปลาอาหารเหมือนกันน้ําก็เหมือนกันจากฉันลหลายมื้อเหลือสอมื้อหลือมื้อหรือสองสามวันต่อมื้อเราจะเห็นทุกข์มากขึ้นชัดมากขึ้นทุกในตอนนี้คือเวทนาซึ่งปกติแล้วมันไม่ปรากฏตัวพอปรากฏตัวปุ๊บเช่นหิวเนี่ยเอามาเติมใส่ละหยวน้ําำน้าเติมเหยวข้าวข้าวเติมมันก็ทุกข์รำดุลก็จะหายไปแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้หาย เพื่อแก้อาการเฉพาะไปวันๆเดี๋ย ว, วแก้ปัญหาในชีเิตประไปวันๆตั้งแต่เองแต่เราไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเพราะเราทําเป็นประจําจึงมองไม่เห็นหากไม่อมองไม่เห็นก็แปลว่ามันไม่เกิดปัญญาในสิ่งเหล่านี้เพอกลายเป็นทํามันชีวิตประจำวันทั้งๆในของพวกนี้มันจะบอกว่ า, เ, า เ, ปเป็นภาระอันหนักที่ต้อง ดูแลทําอยู่นี่เป็นประจำแล้วจะต้องทำหมาเห็นก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ปจัจจัย ท, ที่นาทั้งหมดก็เพื่อปัจจัยสีทิ้งขึ้นเราหามาทั้งหมดตลอดทั้งวันตลอดทั้งชีวิตก็เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ไม่รู้จะเบื่อขนาเสิ่งไหนพยายามที่จะแยง่งหาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้มากเท่าไหร่ถึงจะพอคือมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันก็บอกว่าชีวิตไม่พอกับตัญหา คือความอยากพยอย่างเวลาไม่พอความต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอความต้องการของมนุษย์ความอยากอะไรก็เหมือนกันมันไม่เคยไม่เคยเต็มน้ำห้วยหนองกองปูนทะเลมันยังมีเวลาเต็มแต่ความอยากของมนุษย์ไม่เคยเต็มพร่องอยู่เสมอมันพร่องอยู่เสมอมันไม่เคยเต็มเลยมันองคอมันเหมือนถังมันยังมีเวลาเต็มเราตักมันตรู้จักพร่อง แต่เนี้ไม่มีเลยไม่เคยเต็มเลยนี่กคือตัณหาแล้วความตัณหาตอนนี้มันเป็นที่มาของความทนะเยอเนี่ยปัญหาเรือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เปที่เราเห็นๆกันคนนี้เป็นที่มาของว่าโลภคือความโลภนั่นคืออยากได้นั่นคือโลภคทศสามมึงไม่พอใจ ไ ด, ได้ไม่ได้มันก็ไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมา ต, ตัวสุดท้ายก็โมหาความหลงอันนี้หนักเลยมันเป็นนมามธรรมมองไม่เห็นโลภพะพอะแสดงออกได้โทสะพอเหตุตัวได้แต่โมหะนี่นมองไม่เห็นเลยถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วยากที่จะมองเห็นสิ่งรนนี้ตามสภาวะความเป็นจริง มองเห็นหมายถึงเห็นที่มาของมันเห็นที่อยู่ของมันเห็นที่ไปของมันก็คือเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งตัวและเห็นการดับไปของมันไม่มีเลยเมื่อกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็แปลว่าความทุกข์ก็ไม่มีทางดับเพราะนี่นนคือกระบวนการดับทุกข์ในชีวิตประจำวันเหมือนกับเรากินค่าเราไปคิดเข้าไปประมานมันก็ดับไปในในในระดับหนึ่งก็เวทนา รูปเวทนาหรความเหนื่ถือว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งที่มันปรากฏเราเห็นเี่ย ก, กระดับกันไปซึ่งมีอยู่แล้วรู ป, เ, ปเวทนาสัญญ า, ญญาทั้งการมายาทั้งสี่ห้าตัวมันมีอยู่กับเราตาลอดเวลารูปเราเห็นชัดเจนเดินไปเดินมาสวนไปสวนมาแต่ว่าสักแต่เราเห็นเท่านั้น่ะคือเห็นได้แค่ทว่าสัญญารู้เป็นรูปรู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้รู้อะไรชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนู้นรู้ แต่รู้แล้วเกิดปัญญาเนี้ยไม่เกิด mm hmm. เพาะอะไรแล้วมันเคยยกสิ่งนี้ขึ้นมาพิจารณาในวาเวลาปฏิบัติจริงๆเกิยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้มันเกิดปัญญากับสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเลยก็ mm hmm. ได้แต่สัญญาคือจำ mm hmm. แต่ก็ยังดีไม่ได้ว่าจำดีคือจำเรื่องที่ดีตรงนา้ข้าวถ้าจำเรื่องที่ไม่ดีในลําบากสัญญาไม่ดีมันยาก ปัญญาไม่ดีก็บอกแล้วมันไม่ดีมันเน่ามันเสียมันลบมีเท่าไหร่เขาบอกก็แล้วมันลบก็มันหายไมหมดมันไม่มีเพิ่มมีแต่ลบคือลดลงลดลงลดลงสุดท้ายก็มองไม่เห็นความดีสึ่งกันและกันเพราะเรามองคนนี้เนี้ยลบเช่นเราไม่ชอบคนนี้ก็แปลว่าเรามองคนนี้เนี่ยลบคือไม่มีความดีในสายตาเราเลยมันลบคือลบออกลบออกลบออกทั้งทนี้ความไม่ดีกับความดีมันก็อยู่ด้วยกัน ไม่มีคนไหนที่มีความดีอย่างเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีความไม่ดีอย่างเดียวในตัวคนคนเดียวกันไม่มีเลยแต่เอาคงจริงเรามองมองเด็มองในความดีอย่างเดียวเวาชอบกันก็มองในควอมดีโอยคนนี้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีพัลนาอะไรไปแต่ถ้เกิดมาชอบขี้น่ากันมาะโอ้ยมันแย่จริงๆนะได้ไหมบางคนจะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่งบอกเพราะจิมันเป็นกลาง จิตมันเป็นกลางวันนั้นการปฏิบัติของเราก็ต้องการเบื้องต้นจริงๆคือต้องการให้จิตเรานะวางอารมณ์ท้งสองอย่างคือความสุขควางทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วนั่งอยู่ตรงกลางจริงๆนั่งทำกลางโดยไม่ต้องสนใจนั่นคืออุเเป็กระพุม่มคือกวาดอรารมณ์ให้มันเฉยๆอยู่ตรงกลางเมื่อเราไปเข้าข้างกันนี้เราจะเข้าใจตัวตนที่แท้ทจริงของเรามากขึ้นเหมือนลูกเนี่ยเราไม่เอาใจลูกไปมากเกินไป เพื่อนผู้หญงก็เหมือนกันนิสิตพูดยังไงก็เชื่อหมดตามไปไห น, นบอกไปไห น, นก็ไปแล้วกันไม่เคยขัดใจเลยนะจิงของเรานี่ก็เหมือนกันเราไม่เคยขัดใจตัวเราเอางเลยอยากได้อะไรอยากมีอะไรยอยากเป็นอะไรพยายามที่จะทำ <c oughs> ที่จะไปสู่จุดนั้นให้ได้โดยที่ไม่ได้เคยพิจารณาเลยมนะขอพรนะยามันก็ตามมาเนะีเป็นั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ ที่อยู่ตัวเราอะถือว่าเป็นธรรมะชั้นยอดเป็นธรรมะชั้นสูงทุกเรื่องที่มาติดอยู่เราเรื่องความภายในเราก็จะเป็นเสื้อผ้าอวบ อ, อื่นๆมันร่นเป็นธรรมะทางนั้นสิ่งเหล่านี้นเป็นแค่ของปกปิดร่างกายไม่ให้มันอุดจาระนั้นเองเพราะนั้นถ้าเราตั้งค่าไว้อย่างนี้เสื้อผ้าอวบอย่างไรก็ได้ขอให้มันสะดวกสบายสุภาพเรียบร้อยมันจะเป็นต้องแพง ไม่ใช่เป็นเรื่องของมียี่ห้อจริงๆแล้วมันมีห้อทุกอย่างมียี่ห้ออะไรนะแต่พอเราเขาว่ายี่ห้อคือยี่ห้อดัางันเองถ้าเราตั้งตัวอย่างนี้มันก็จบเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดหมายคือว่าถอดออกอย่างนี้อแต่ละคนถอดออกหมดถอดเสื้อผ้าถอดออกมันก็เหมือนกันหมดมันไม่อะไรต่างกันเลยมันไม่ใช่รูปร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจิตนาอย่านี้มัน ในทางธรรมในทางพระองค์บอกให้พิจารณาเรื่องอย่างนี้บ่อยๆโดยเฉาะอย่างนี้คือถ้ามันเกิดเป็นนิมิตได้เป็นการดีคือบางคนบอกว่านั่งปาวนาแล้วเห็นตัวเองไปนั่นคือความกลัวพอเห็นแล้วก็บอกว่จิตมันจิตมาออกจากร่างนั่นน่าจะเป็นมันเรื่องของธรรมะเกิดขึ้นแต่เราไม่ไม่อาศัยสิ่งเหล่านั้นไม่มองเป็นธรรมะก็กลายเป็นความกลัว สุดท้ายสติปิปปาตคือเห็นสำคัญปเป็นจริงเป็นจริงเกิดความกลัวควาจ็บหนอกมันกลกลายเป็นสติปิปปัตติแต่เราใช้ใช้เป็นประโยชน์คือยกขึ้นมาพิจารณาอ๋ออันนี้วันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะร่วงหายตายจากมันก็จะหมดไปยกขึ้นมาพิจารณามันเป็นแค่สตางค์นี้มิตรนั่นเองมันก็เหมือนกับความฝันที่เกิดขึ้นกับเราที่มันเกิดขึ้นกับ นิมิมันเกิดขึ้นก็เพรว่าจิตมันเป็นความสงบความฝันมันเกิดจากจิตที่มันหลับไม่สนิทซึ่งจองกันข้ามคนที่ฝันก็คือหลับไม่สนิทมันเป็นภาวะของจิตจิตมันยังรับรู้แต่มันสมพัดทิฏฐิทอดตั้งกุตางตาอาบจะหมดได้ทั้งนั่เองเอามาเป็นภาพข้างในเรียกว่ามโนภาพเป็นแบบภาพในใจเกิดจากใจเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญา จะจังขานเกิดจากวิญญาณมันปรงมาแต่ต่ออันนี้เป็นเรื่องของมโนภาพเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปข้างหน้าคือตัวนั้นเลยเมื่อร่างกายในยแต่ดับไปแล้วเมื่อต้นไม้นิ่ล้มไปแล้วนกก็ต้องออกไปผู้อยู่อาศัยในต้นไม้แต้องต้องออกไปไปไหนแต่นี่ยเมื่อร่างกายแตกดับแล้วจิตมันไปไหนก็ อ, อยู่ที่ว่าจิตมันมีต้นต้นมากน้อยแค่ไหน ก็เกใครแค่ไหนเพราะะนั้นต้องต้องมีใจใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะไปมุ่มงไปหวังในเรื่องทํามาะกินจนมากเกินไปจนสุดท้ายเราก็ใช้ไม่ได้ลเลยไม่ได้จะอะไรจากการเกิดการเก่การเจ็บการตายพูดง่ายเกิดฟรเีรเจ็บฟรีตายฟรีก็ได้อะไรเลยจริงเสียงหามาทั้งหมดที่เราเข้าใจว่าเราได้แท้จริงมันก็ได้อะไรเลย มีแต่เสียกับเสียงานนี้เบิดทางโลกมันที่อยู่ทางโลกแล้วมันไม่มีอะไรได้มีแต่เสียกับเสียส่วนทางธรรมนั้นถ้าทําแล้วมันได้อย่างเดียวไม่มีเสียถ้ามันเจริญแล้วมีเสื่อมไม่เจริญไปข้างหน้าไม่ได้กับได้นะเนี่ความเวาสําคัญมันมันต่างกันอย่างนี้เคยเปรียบเสมือนว่าสติสตังมันต่างกันตรงนี้สตางมันหมดได้มันหายไปได้แต่สติถ้าเกิดขึ้นในตัวแล้ว แล้วถ้ามันเป็นสติปัญญาแล้วคือมันรู้ตัวนี่คือมันมีปัญญาคุ้ง่ายปัจจัยคุ้มครองดูแลตัวเองได้ที่สําคัญนั้นยังไม่พ อ, อยังเป็นที่พึ่งของคนรอบตัวรอบข้างเหมือนครูบาอาจารย์พวกเราที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วมันประโยชน์ไม่ได้ตกตัวที่ท่านอย่างเดียว ผลประโยชน์ตบคนเราตัวราตัาง้งซึ่งคือผู้เราคนสุดท้ายภายหลังสามารถเป็นที่พึ่งทางใจได้ซึ่งต่างกับคนมนุษย์คนทั่วไ ป, ม, ม, ปมีเป็นบ้านเราก็มีเป็นไม่รู้กี่ห้าสิบล้านตัวที่เป็นที่พึ่งทางใจได้จริงมีสักกี่คนมันยากนะมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นที่เราทําอย่างนีน้เราทํำสิ่งที่มันยากยากมากๆซึ่งคนทั่วไปทำไม่ได้เหมือนวันนี้ในขณะที่คนทั่วไปเขา ไปสนุกสนานเฮฮาคนส่วนใหญ่แต่ว่าคนส่วนน้อยคือเราเรากลายเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรว่าสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เขาได้มันต่างกันโดยี่จริงสิ่งที่เขาได้นี่มันจริงจริมันไม่ได้เลยไม่นจะเสียกับเสียซึ่งต่างกับพวกเราสิ่งที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังกันนั่งทนถึงไม่ได้เลยอย่างน้อยก็สิ่งสมาธิได้แล้วปัญญาในแบบมันก็ได้อย่แล้ว อันนี้คือปฏิปทาหรือ ว, ว่าแนวทางในการปฏิบัติที่พระเจ้าฝากเอาไว้ให้พวกเราถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติตามพูดว่าให้คือไม่เดินตามแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะถึงไม่ขยับเลยอยู่ที่เดิ ม, มเดิ ม, มเดิ ม, ม, ดมแล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงเพราะนั้นให้เราดูปรไอ้บททั้งส <c oughs> ี่ของการปฏิบัติของเราคือไอ้บททั้งสจริงๆมันเว้นกันนอ น, นอกับเหลือสามนันเอง คือยืนเดินนั่งทำยังไงก็ได้ให้อารมณทั้งสามนี่ประกอบไปด้วยสติคือมีสติกำกับให้มันมากที่สุดพอเยอะมากได้ถ้ามันเผลอเรอก็ดึงเข้ามาเพราะนั้นสิ่งที่ดึงเข้ามาเ้าเรียกคําบริกรรมเรียกวุปปัจา น, นะ อ, อะไรก็ได้แต่มันดึงเข้ามากุฏูตโตมสังโฆอะไรก็ได้ไม่สูดลมหายใจเข้าลึกสติมก็จยึดกับตัวแล้วให้มัมนสติมนอยู่กัเนึกกับตัว เราแค่ได้มีสติมากเหมือนกับมีสตางอยู่กับตัวมันจะมีประโยชน์แต่สตางที่อยู่มีแต่มันอีบนโลกปัจจนนี้อยู่กับคนอื่นมันไม่มีประโยชน์ต่อเราเราก็ใช้ไม่ได้สตินั่นคเหมือนกันถ้ามันแนบอยู่กับตัวอยู่ใกล้ตัวเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราจะใช้เมื่อไรใช้ยังไงก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเลยก็เหมือนกับมันมีสตางอยู่ในกระเป๋าเราจะไปใช้อะไรสุดท้ายมันก็ตกเป็นธาตุความโลภะตกเป็นโมหะ ความโลภความโกรธคามงมันก็ครอบงำเพราะเราไม่มีสติบัญญาดูแลพิจารณาในสิ่งเหล่านี้เราจึงตกกลายเป็นธาตุเจงเหล่านี้ซึ่งเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมารู้กี่พุทธิชาติมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักหลับยังปรารถนาที่อยากจะให้มีอยากจะให้เป็นอย่างนี้อีกไม่รู้จบรู้สิ่งเพราะนี่คืออวิชชานี่คือโมหะทิตแท้จริง มันเป็นมหาคือหลงเคยเปรียบเทียบไปฟังอยู่เสมอว่าขนาดนี้เราเป็นคนหลงทางเคือหลงวัฏสงสารไม่ธรรมดานลยไม่ใช่ธรรมธดาไม่ใช่ทางสั้นๆแต่ระยะทางที่เราหลงมันยาวนานมาบามากเราเทาที่จำได้ในภาษาคือสองพันกว่าปีมาแล้วเห็นไหมไม่ไปไหนมาไหนเวียนว่ายแต่เกิดขึ้นหลงกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ กลัมาที่เดิมนะครับไม่ไปไหนไปไกลเลยนะใช่ไหมก็เพราะว่าเราไม่มีเสบียงกันพอมันมีกําลังพอไม่มีสติปัญญาพอเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ววันนี้ถือว่าโช่วดีที่เราได้เจอพระพุทศาสนาเจอครูบาอาจารย์ผู้ป ฏ, ฏิบัติดีประจําหลายหลายองค์เราได้ยินได้ฟังอย่างได้ทันแต่ก็จะประมาทแล้วครูบาอาจารย์ก็เริ่มร่วงหลอลดน้อยถอยลงไปอายุที่มีเยอะๆจาก เก้าสิบปีแปดสิบปีเจ็ดสิบตอนนี้น้อยลงมาลงมาลงไปถึงยุคผูเนะ้เดิมน้อยแทบ น, บนับ อ, องได้จ่เป็นพอที่พึ่งทางใจของเราอย่างแท้ จ, จริงเป็นเยี่ยงเป็นอย่า ง, เ ป, างเป็นต้นแบบจนจบยิ่งน้อยลงันนั้นถ้ามาบูดแต่เวลาเมื่อไหร่เมื่อนั้นวันนี้ค่อยไปค่อยหาค่อยค่อยฟังมันไม่ได้นั่นคือความประมาณนั่นคือมาน โดนใจของเราไม่ให้ทําความดีกีที่ขั้นความดีอย่าไปเชื่อฟังมารความดีนึกเมื่อไร่ทําเมื่อไหรพวกนี้เป็นความดีทันทีตั้งรีบพูดคิดทําทันทีต้องคัดค้าน ข, ข, ข, ข, ขึ้นมาใจตัวเองว่าไม่ได้นึกว่าต้องรีบทําทันทีอย่าประมาทเพราะฉะนั้นการทําบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นเงินที่ทองเงินไม่เกี่ยว เ, ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆกันเอง การทำกุญที่เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคือใช้ของที่มีอยู่คือรูปร่างกายอันนี้เท่านั้นเองที่คือประโยชน์สูงสุดส่วนเรื่องทานนั้นเป็นเรื่องการส่งเคราะห์อาเคราะห์ซึ่งกันและกันในการเอือ้อเฟื้อแสดงความน้ำใจแบบ่งปันและที่สำคัญคือต้องการให้มนุษย์เรานะรู้จากการเสียสละเพราะงั้นนั้นไม่รู้จักต่เอาเอาเอาเอาอย่างเดียวคือได้ได้อย่างเดียวจะไม่มีคําว่าเสียอยู่ในสมองจะไม่มีคำว่าเสียอยู่ในจิต คิดแต่จะได้เราคิดก็คิดแต่จะได้เป็นการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์เห็นไหมซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ทีนี้การทานการให้การเสียสละของมีอยูเออเรารู้ว่ามันการเสียสละมนุษย์นั้นถ้ามีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับในกระดานดกันมีผู้รับอย่างเดียวไม่มีผู้ให้มันก็ไม่สมประโยชน์มันต้องครบสองอย่างก็คือมีผู้ให้ก็มีผู้รับถ้าเราเป็นผู้ให้ก็คือว่า ก็ไา อ, อีฝ่ายหนึ่งซึ่งตัวข้ามมาเป็นผู้รับผู้ใหยย้จะเป็นที่รักของผู้รับแต่ว่าผู้รับนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นทน่ักของผู้ให้หรือเปล่า อ, อันนีน้คือประเด็นราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราทําเป็นนิสัยคือทําเป็นประจําทุกวันทุกวันมันก็สามารถทีจะรับเกาจิตใจของเราในนั้ น, น, นที่มัน ห, อห่ออุ้มด้วยกิเลสอาสะวะนาขึ้น แต่ที่เราเรียกกันติดปากว่าปุถุชนคือมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นความคิดคาพูดการกระทำอนี้สะสมเยอะๆส่เยอะอีกเยอะมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นมันไม่เห็นจิตใจแม้กระทั่งความดีในตัวเราก็บางไมเห็นความดีคนอื่นก็บองไม่เห็นมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยมันลำบากแต่ถ้าเราขัดใจขัดใจตัวเองบ่อยๆเหมือนกับขัดถูเช็ดทำควอมสะอาดมันก็ค่อยเจือจางเบาบางลงความเื้มข้นก็จะน้อยลง ความโกรธมีกปจะน้อยลงความโลภมีก็จะน้อยลงความหลงมีก็จะน้อยลงอันนี้คือเป้หมายในการปฏิบัติของเราเพราะด้นอย่าไปท้อก็ขอหเราได้โอ้ปฏิบัติกันมานานสิบปีที่ไม่เห็นได้เลยได้แต่มัยังไม่ได้แต่น้อนก็สินประมาณที่มันได้แน่นอนถึงเมื่มันไม่เกิดปัญญารู้แจ้งจริงๆตาสภายกับเสียงก็ไม่เป็นไรขอให้เราอย่าท้ออย่าถอยปฏิบัติให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วไปเชื่อใคร คนชอบไปเชื่อจังเลยคนที่อะไรก็ไม่รู้สินสักตัวก็ไม่มีชอบไปฟังคนนั้นพูดว่าคนนี้พูดว่าถามว่ามีสินสักตัวมีสินไหมดา่ากันชดชดแล้วก็ไปฟังแล้วก็ไปจำกันมาเนะี่ยแล้วมันดีไหมไปจํำของไม่ดีมาแล้วมันก็บัร จ, จุของไม่ดีเอาไว้ในใจแล้วใครเดือดร้อนอเห็นไหมวันนี้เราคิดมัเป็นอย่างเนี้เราคิดมันเป็นคิดแลวทำให้มันเดือร้อนก็จะไปจํา ให้จำเป็นความที่ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าจะดูถ้าจะจำก็จำบุคคลที่เป็นเยี่ยงเป็นอย่างอย่างพ่อแม่พระอาจารย์ของเราวเราไปดูไปกล่าวไปไหว้และจำปฏิปทาข้าววัดปฏิบัติเท่นั้นเอามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจขอเราเองเพื่อใเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นต้นฉบับเป็นแบบของเราส่วนขอ้อดีๆไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนเลยไปที่ไหนก็เจออดมิตรหาไกลใน ต, ตัวเราแบบมีทุกอย่าง มันต้ไปหาดูที่อื่นแต่สะเพอเอินว่าเราไม่ดูมันเราก็าเลยไม่เห็นมันเหมือนที่พูดกล่าวนําำลังตั้หน้าตั้ง ต, ตเสพุงอุจรปัปปสวาทที่อยู่เราก็ไม่เคยเห็นว่าโอมันน่ารังเกียดมันเหม็นมันสขป ร, รกมันโสงมงขนาดไหนอเราก็ไปโทษเพิเอุจรัตีโอ้ปิดจมกูกปัสสาวะทีโอ้ปิดจมกูกเห็นขยะทีก็เดินนี้เห็นไหมเต็นที่นี่เอโอ้พระเจ้าโก็น้องมาโอ้ ของทั้งหมดนี่มันก็ตัวเราเองก็ยิง่งแบนหนักกว่านี้เอียวลองดูสิของที่มีอยู่ในตัวทั้งหมดออกมาจันทร์ลำไส้ไม่ต้องมากเท่าหัวไม่ขีดวงแตกเลยนะไม่ต้องมากเลยอุจจระปัสสวะออกมานิดเดียวนะอยู่ไม่ได้เห็นไหมแบบร้อนเนี่ยของนอกของเสียเหมือนกันถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นโอปอลิโกมองกับจิตของเรานะ ถ้ามันเน่ามันเสียแม้ไม่มากแม้ได้หน่อยมันก็เหมือนกันอุจจระภาสาเหมือนกันคนอื่นเขก็รับไม่ได้ในพฤติกรรมเหล่านั้นของตัวเราเองดังนั้นก็พยายามให้ระมัดร ะ, ระวังสิ่งเหล่านี้โดยการแต่ละคนระวังตัวเองอย่าไประวังคนอื่นอย่าไประแวงคนอื่นอย่าไปแพ่งโทษคนอื่นจนชินจนเป็นอาจินจนเป็นนิสัยเพราะสุดท้ายมันจะติด มันจะเหตุปุ๊บมันจะบอกโอ้ยมันแย่จังเลยทําไมเป็นแย่เงี้ยเอามันจะออกโดยจุดมันพ้นเป็นนิสัยนิสัยเกิดจากอะไรเกิดจากคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำบ่อยๆ ย, ย, ย้ำคิดย้ำคิดย้ำทําอยู่อย่างนั้นมันจุดชินจุดติดนะถ้าเราไม่ย้ำคิดไม่ย้ำพูดไม่ย้ำทํามันก็ไม่เป็นนิสัยคือจบแล้วจบเลยนะนักภาวนามนต้องเป็นอย่างนั้นบางควรเป็นอย่างนั้น แต่ถ้ายังมิใจด้วยมันยังรับไม่ได้ปล่อยไม่ได้วาไม่ได้โอ้ยังเลยหาไกลลำบาโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนีก็ยังมาทําให้มันหมู่คณะตัวเองเดือดรอนเดือยวโอ้ยังจะหา่างไกลการปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้เราจะชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาได้อย่างไร เพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าใกล้ผู้นั่งใกล้พระรัตะนะตะรัยเมืเรานั่งใกล้ต้องได้ประโยชน์ต้องรู้ต้องเห็นว่าพุทธเป็นยังไงพระธรร็นยังไงพระอริยสงฆ์เป็นยังไงแต่ถ้านั่งใกล้เฉยๆแล้วไม่ได้ประโยชน์เหมือนเรานั่งอยู่ตอนนี้นั่งแล้วไม่รู้จักกันเลยเดี๋ยวก็ยางได้ก็ไปปั๊บไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักคุณค่ากันอะไรกันเลยนั้นก็เราเขา้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อาจจะคุณค่า คือให้เอาประพุธะทธธรรมประสงค์คือพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งด้านจิตใจอย่างแท้จริงนอกจากนี้อย่างอื่นไม่มีเลยอย่าไปเอาเป็นสาระในชีวิตให้คิดอย่างนี้มันก็จะจบแล้วมันจะไปแค่อันนั่นนี่นู่นซึ่งมันไม่ใช่พุธทธธรรมประสงค์พระถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บคุณสสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามันก็จะขาดทันทีก็ไหนว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้า เขาใกล้พระธรรมเขาใกล้พระสงฆ์มันไม่ได้ใกล้เลยมันก็ยิ่งห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์นะมันไม่ใช่อวสุสิญญาเนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้กับอวสุภิญญานะต้องอยู่ใกล้จริงๆแล้วก็หาได้ประโยชน์จากการอยู่ ใ, ใลกล้แล้วใจเราก็จะเย็ใจเราก็จะสบายเหมือนทีว่าอากาศอันนี้อันนี้คือผลการปฏิบัติธรรมคเราก็ขอให้เราทั้งหลายเราอยู่ใกล้แล้วขอให้ได้เย็น คือกายก็เย็นปอใจก็เย็นใจก็เย็นนี่คือดับดับเย็นนี่คือดับดับแล้วคืออนิพาตดับมากดับน้อยกระดับไหนดับจนไม่เหลืออะไรเลยดับจนชินเราจะปฏิเสธแล้วก็คือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราคอยดับทุกวันอย่างน้อยก็ดับความคิดคำพูดการกระทำของเราดับพม่ได้ก็เบรกหยุดไว้ในขณะแรนก็ยังดีดีก็ปล่อยให้ไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอยู่ มันก็จะย้อนเหมือนลูกศรเว้นการหาตัวเราเองและที่คนเีือร้รอนคือตัวเราปัจต้องระมัดระวังในเสิ่งเหลนี้ให้มากๆากนั่นเาริญธรรมที่นํามาฝากผู้เราในวันนี้วันร้อยกระทงเขาสนุกสนานแต่เราไม่เป็นไรเราเอาธรรมะทำต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาโลกเป็นใหญ่ต้องทํำถ้าเป็นใหญ่ทำต้องอยู่เหนือโลกอย่าให้โลกอยู่เหนือทำไม่งั้นเดือด ร, ร, ร้อนใครเดือดร้อนก็ตัวเราเนี่ยเดือดร้อน วันนี้ฝากธรรมะทั้งหมดทั้งปวงนี้เพื่อพวกเราทั้งหลายได้เป็นโอเรานิโกน้อมกามาแล้วเอาอไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงวันนี้ฝากไว้เพียงตัวนี้คน